เ่วนฝั่งที่ครบคะนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติธรรมการตามพุทธวจนะได้ฟังพระสูตเต็มๆโดยพระมาร์ชาคาวโรแล้วช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะเนี่ยเราจะมีการออกพรรษากันในเดือนหน้าวันที่สิบสองแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาพิเศษที่รายการสันนิสนทนโดยพระอาจารย์พบุญอภิปุโนนะคะท่านได้จัดพุทธประวัติจากพระโอษฐ มาเล่าให้พวกเราฟังกับอริยสัจสี่ 4, เรื่องใหญ่ที่พระพุโทโธมัสรูร้นะคะมาขยายในรายละเอียดให้พวกเราทำความเข้าใจกันวันนี้ก็ไปพบ ก, กับท่านคะ่ะนมัศการคะ่ะอจริญพรสำหรับพุทธประวัติก็กำลังอยู่ในเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะถ้าคนสนใจในรายละเอียดของการปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์นะคะใช่ธู้ถอตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของลักษณะคาสอน ซึ่งเราได้พูดไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่เรื่องให้ออกจากทุกเรื่องอะไรต่างๆเช่นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงอะไรพวกนี้ไม่พูดถึงเลยถ้าใครสนใจเรื่องนั้นก็ชี้ว่ายังยังมาไม่ถูกทางถ้าจะรวมๆกันแล้วเรื่องที่ท่านไม่สอนเนี่ยท่านจัดประเภทไม่ว่ามันเป็นเรื่องแบบใดที่เป็นมีคาำจากัดความชัดๆนะคะเขาเรียกว่าทิฏฐิ10ประการอ๋อทิฏฐิทิฏฐิสิประการเป็นคําถามที่ดัดเดินมากเลยในสมัยพุทธกาลกุณยมิติ๋วเช่นถามว่าเอโลกนี้เที่ยงหรือเปล่า โรคนี้มันจะแตกไหมแล้วโลกอื่นมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะท่านคะมนุษย์ต่างดาวมีไหมอย่างเงี้ยนะวันนี้ยังถามเลยคะมนุษย์ต่างดาวมันมีจริงหรือเปล่าเออไอที่ว่าโลกมันจะแตกหนังมันฉายปันเรื่อมราวมันจะมีจริงหรือเปล่านี่จัดเป็นคําถามประเภทนี้ไหมคะถูกต้องปีหน้าเดือนพฤษภานะเป็นคําถามที่ถ้าถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ไม่ตอบหรอไม่ตอบไม่ตอบเจ้ไหนบอกว่าท่านรู้ทุกเรื่องไงคะเพราะว่าอะไรคือเรื่องนี้มันตอบแล้วมันจะไม่จบ มันจะไปได้เรื่อยๆจะถามอันนี้ก็จะถามอันนู้นต่อแล้วมันก็จะแล้วโรคอื่นจะเป็นยังไงแล้วถ้าตายแล้วจะไปไหนแล้วตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วจะกลับมาอีกไหมมันจะเป็นคําถามต่อเนื่องกันไปทั้งหมด10อย่างตายแล้วไปอยู่ไหนก็ถามไม่ได้เหรอคะถ้างั้นเราสนใจเรื่องที่ว่าทํากรรมอย่างนี้แล้วจะไปอบายหรือเปล่าความจริงแล้วพุทธองค์ก็ตอบอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการตอบคาถามประเภทนี้แล้วหรอคะก็คือว่าคําถามอันนี้มันเป็นคําถามที่แฝงเป็นทิฏฐิที่บอกว่า ทิฐิที่บอกว่าตายแล้วต้องไปเกิดเท่านั้นเป็นคำจริงคําอื่นเปล่า อ, อ๋อเป็นความเห็นที่ว่าตายแล้วเท่านั้นต้องไปเกิดนะคนไม่เกิดอีกไม่มีเขามีความเชื่ออย่างนี้แต่ไม่จริงหรอกมีคนที่ไม่เกิดก็มีก็พระหลานไงไม่มีการเกิดอีกคือเหมือนกับว่าตอบแล้วไม่จบจริงๆใช่เงั้นเลยพาท่านมาสักไกลเชียวย้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ ว, ว่าท่านผู้ฟังกํำลังจะได้ฟังเรื่องของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าเองแล้วก็หาฟังไม่ได้ง่ายๆใ ในเรื่อง10อย่างที่ไม่ไม่ไม่ได้ทรงพยากรณ์ไม่คือไม่ตอบปัญหานะก็มีเรื่องโลกที่ยังโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดไ้ยโลกไม่มีที่สุดอย่างเงี้ยร่างกายหรือว่าจิตคนละอย่างกันหรือจิตกับร่างกายอย่างเดียวกันนะตายแล้วไปไหนตายแล้วมาเป็นอย่างนี้อีกไหมหรือตายแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนี้หรือไปเป็นอย่างอื่นรวมกันทั้งหมด10อย่างเป็นคำถามที่ผู้ชมไม่พยากรณ์แล้วก็ที่พยากรณ์ก็คือเรื่องอริยสัจส เพราะนั้นผู้เช่าจึงเน้นว่าแทนที่เราจะไปสนใจเรื่องนั้นก็ให้มาสนใจเรื่องอริยสัจสีก่อนดีกว่าเพราะอย่างน้อยถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วเราก็จะมันก็จะจบได้ก็คือเรื่องที่ท่านพไบร์กกำลังพยายามอธิบายนี่แหละใชะ่แล้วก็การที่ไม่พยากรณ์คือตอบปัญหาทั้งหมดนั่นแล้วพูดเรื่องอะไระอีกนยัยยะหนึ่งผู้เช่าก็พูดถึงเรื่องความไม่ใช่ตัวตวนคืออนัตตา นะถ้าผู้เรียนจะตอบนะก็จะตอบเรื่องของอนัตตาบ้างเรื่องของความไม่เที่ยงบ้างอย่างนี้ <Okay. S 1> จะพูดเรื่องนี้แล้วก็คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เ, เขาเรียกว่าคนที่จะพอใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เรียนเขาบอกว่าจะเป็นพวกที่พบกับประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแล้วก็ผู้นั้นก็จะพบกับเขาเรียกว่าเกินความคาดหมายเหมือนกับคนที่ ไปหากลุ่มทรัพย์ต้องการจะไปหากลุ่มทรัพย์อย่างเงี้ยต้องการหากลุ่มทรัพย์หนึ่งขุมแต่พอไปเจอเนี่ยปรากฏว่าเจอจริงๆถึง6กขุมผมก็จะดีใจมากเลยเกินความคาดหมายว่างั้นนี่คือลักษณะคำสองพระเจ้าค่ะแล้วก็การตอบปัญหาหรือการสอนของพระองค์ก็พูดไปชาเจนว่าไม่ได้ต้องการจะให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยพอใจแต่เป็นไปเพื่อความถูกต้อง คือไม่ใช่ว่าเทศเพื่อเอาใจคนนี้อ่ะว่างท่านเถ อ, อะหรือว่าเทศเพื่อเอาใจเขาเพื่อให้เขาพอใจไม่ใช่อย่างนั้นอะไรถูกพูดอะไรไม่ถูกก็พูดแต่ก็รอจังหวะสัหน่อยหนึ่งนะเ่อที่ว่าเขาจะสบายใจได้บางท่านเถอะแล้วก็ยังมีราชกุมารคนหนึ่งชื่ออภิยราชกุมารไปถามพระพุทธเจาบอกว่าเอ้เยคาสอนของพระพุทธเจาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการมาก่อนไหมอย่างเช่นว่าวันนี้เดี๋ยวจดเอาไว้ก่อนนะฉันจะพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะ พูดอย่างไรอธิบายยกอุปมาอุปไม้อะไรไงมีการเตรียมการไว้ก่อนไหมนะหรือแม้แต่คนมาถามคําถามอย่างเงี้ยต้องมีการต่างแก้หรือว่าเตรียมการอะไรไหมอย่างเงี้ยนะปุริชาเขบอกว่าไม่ได้มีการเตรียมการเลยค่นะแล้วก็ทุกอย่างสดหมดนะด้วยการใช้กําหนดสมาธินิมิตก็เปรียบเสมือนกับถามกับราชกุมารนี้ตอบกลับไปตอบกลับไปนะครับถามว่าท่านราชกุมารเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เรื่องรถอย่างดี นะรถเกียร์บ้างหรือรถอุปกรณ์อะไรต่างๆของรถเนี่ยน ะ, ะแล้วก็ถ้ามีคนมาถามว่าเอ้ยอุปกรณ์ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไปต่อกับตรงไหนแล้วใช้งานยังไงทำรรมาจากอะไรคําถามพวกนี้ท่านต้องเตรียมการไปก่อนไหมราชกุมารองค์นั้นก็บอกว่าไม่ต้องเตรียมการเลยเพราะว่าข้าพระองค์รู้เรื่องรถนี้อย่างดีนะไม่ต้องเตรียมการใดๆพระพุทธเจ้าก็บอกเหมือนกันว่าพระองค์เนี่ยรูนะ้เรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นอย่างดีแตกฉานแจ่มแจ้งอย่างดี เพรนั้นคำตอบทุกอย่างเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเตรียมการไว้ก่อนอือคือเชี่ยวชาญเรื่องธรรมะมากว่าไนเถอะค่ะอืเหมือนกับบางคนอย่างเราเคยเห็นบางคนที่เขาเก่งคอมพิวเตอร์มากๆกคุณยมติวไปถามอะไรมันก็ตอบได้หมดนะใช่ค่ะคือคนเก่งแต่และเรื่องเนี่ยก็มีรายการโทรทะะัศน์อ่ะค่ะเดี๋ยวฉั น, นจไม่รู้ชื่อรายการอะไรรู้แต่ว่าเก่งกันจังเลยอืมคือแบบว่าแฟนพันธ์แทรเลยว่าไงเถอะอ๋อใชใช่ใชขออภัยค่ะ แล้วก็ไอ้คำการสอนของพระเจ้าเนี่ยยังมีวิธีการที่รุนแรงก็มีวิธีการที่เบาก็มีเหมือนกับว่าพูดกับนายเกสีนะนายสารตีที่ฝึกมาผู้เชี่ยวชาญก็ถามนายเกสีถามว่าเอ๊ะพระเจ้าฝึกไม้ฝึกฝึกสามบกเนี่ยฝึกคนในทํามเนียบฝึกยังไงพระเจ้าก็บอกก็ถามกลับนายเกสีว่าฝึกไม้าฝึกยังไงนายเกสีก็บอกว่าเอ้าตัวที่มันจะฝึกได้ก็พูดดีๆตัวที่มันฝึกยากๆก็ลง ใช้วิธีรุนแรงบ้างตัวนี้มันฝึกบางทีก็ต้องมีการรุนแรงบ้างเนะบาๆ บ, บ, บ้างก็มีแล้วถ้าฝึกไม่ได้เราทํำยังไงในเกษีก็บอกว่าเขาฆ่าทิ้งเลยจะได้ไม่ต้องเสียชื่อค่ะครูเชาก็มีวิธีการฝึกเหมือนกันันนคือ บ, บางทีก็ใช้วิธีละมุนละไมบ้างบางทีก็เอาไว้ใช้วิธีรุนแรงบ้างบางทีก็ใช้คู่กันบ้างถ้าสอนไม่ได้ทําไงฆ่าทิ้งเลยในเกษีก็สุดเสียอ้าว ไม่มีการฆ่าด้วยสมมาสมพุทธชาติทำไมทำปน า, าติบัติผิดศีลข้อหนึ่งพระุทธเจ้าก็เลยอธิบายให้ฟังว่าวิธีะ ล, ละมุนละไมเนี่ยนะก็คือพูดถึงพูดของผลของการทำสุจริตถ้าคุณทำดีคุณจะได้ดีอย่างนี้อย่างนี้ไปสวรรค์นะไปนิพพานนะนี่คือวิธีละมุนละไมส่วนวิธีที่รุนแรงนะก็คือบอกถึงโทษนะคุณทำไม่ดีใช่ไหมคุณจะไปตกนรกกลุ่มที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ไม่อย่างนี้กลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไม่อย่างงนอนนย่างง แล้ววิธีปนรวมกันก็คือว่าเอาสองอย่างนี้มาปนกันใช่ไหมแล้วค่านี่คืออะไรพระพุทธเจ้ า, ก, าก็บอกว่าก็คือการที่ไม่สนใจนะไม่ยุ่งไม่สอนไม่บอกไม่ชี้แจงไม่สงสุงสิงด้วยเลยนะคือจะมีลักษณะของการทําขับออกเนี่ยมันอย่างที่ทรงทํากับนายชนะนะค่ะอ่แล้วก็พอทำอย่างนั้นแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ถูกฆ่าแล้วอืคือไม่สอนเลยอนออรู้ทำพระพุทธเจ้าเลยสอนไม่ได้เลยค่ะ แล้วก็นี่คือลักษณะคําสอนค่ะอีกนิดนึงในเรื่องสุดท้ายของคําสอนพุทธเจ้าก็คือว่ามีพรามคนหนึ่งก็ชื่อว่าคณ า, ากะรมงกรานะพราม์เขาก็มาถามพุทธเจ้าบอกว่าเอา๊ะทำไมคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อ น, นิพพานใช่ไหมก็ในเมื่อ น, นิพพานยังอยู่ยแล้วก็โคดทางที่ดําเนินไปถึงนิพพานเนี่ยคือมรุษเนี่ยก็ยังอยู่คนบอกคนชี้ชวนก็ยังอยู่อา่าแล้วคนที่ไปถึงเนี่ยมีมากหรือน้อยว่าอย่างนั้นถามอย่างนี้ ท่านพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าก็ยังมีน้อยอยู่นั่นเองนะแล้วพราหมณ์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีน้อยอยู่ทั้งทที่องค์ประกอบต่างๆมันก็ยังมีอยู่ครบพระพุทธเจ้าก็เลยถามพราหมณ์คณะการมูลคณะพราหมณ์กลับว่าถ้าอย่างคณาการมูลณะพราหมณ์อย่า ง, างาาเงี้ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญไปเรื่องขนทางในการไปเมืองราชคลึกใช่ไหมแล้วถ้าท่านเป็นผู้ที่บอกขนทางอยู่ว่าไปทางนี้นะเลี้ยวตรงโน้นแต่คนที่มาถามทางเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย กลับเดินหันหลังเดินกลับไปทางอื่นส่วนอีกคนหนึ่งก็เดินไปถึงเมืองราชกรึกโดยสวัสดีถามว่าท่านจะทํำยังไงในคณะกาโมูคณนรพราหมก็เลยบอกว่าอ้าจะทําอย่างไรได้เล่าก็เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บอกทางเท่านั้นพะพุชธเาก็เหมือนกันบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้บอกทางเท่านั้นก็คือหมายก็ว่าให้พวกเราเนี่ยต้องพึ่งตนเองพึ่งธรรมะธรรมะนี่คือหมายถึงมัจใช่ไหม แล้วก็เดินตามไปตามขนทางเพื่อจะเข้าสู่นิพพานเองค่ะอบอกแล้วถ้าไม่ทําก็ไม่รู้จะช่วยยังไ ง, งช่วยยังไงค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างก็มีให้แล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับอุอปมาอขาจะจะเป็นอุปมาก็ไม่ถูกเป็นเรื่องเล่าของพระพุทธองค์ในสุดท้ายเนี่ย น, นะคะใช่ใช่ทีนี้ว่า เ, าเครื่องมือนั้นนะคือหมายถึงธรรมะนมีอะไรบ้างก็คืออันนี้ศีนั่นเองที่เรากำลังพูดถึงอยู่ทุกวันทุกวันค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของ เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นะคือตัณหาทีนี้เรื่องตัณหาเนี่ยการมต า, า, าตัณหาวิภวะตัณหาภาวะตัณหาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดทุกข์โทษยังไงพรนะพุทธเจ้าก็พูดถึงเอาทีเา่เราเห็นกันง่ายๆนะอย่างเช่นว่าตื่นเช้ามาคุณต้องไปทํางานทํางานคุณทํางานอะไรบ้างอะพระเจ้าก็พูดถึงอาชีพบ้างบางทีก็เป็นศินละปะแห่งการคํานวณบางคนเป็นนักคอมพิวเตอรนะ์ต้องใช้ตัวเลข บางคนศิละปะในการพยากรณ์พวกตอบปัญหาการทําอาชีพกศกรรมอาชีพค้าขายอาชีพเลี้ยงโคอาชีพใช้อาวุธนะหรือว่าศิละปะในการทําอย่างอื่นอาชีพข้าราชการก็มีท่าปรึกาบอกเวลาทําหน้าที่นั้นๆอยู่เนี่ยนะจะต้องเผชิญต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายบางทีต้องเจอเหลือบยุงลมแดด บ, บางทีต้องสู้ผอมหิวกระหายอยู่เพราะว่าไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้บริโภคตามเวลาในะนี่คือทั้งหมดคือทุกโทษของกรร ค่ะฟังเข้าใจง่ายไหมที่เราตื่นเช้าไปทำงานทุกวันเนี่ยบางคนบอกฉันทํางานออฟฟิศฉันเหงื่อไม่ออกหรอกปโตเ อ, อ๋ยคุณถ้าคุณนั่งรถเมล์ไปทํางานเหงื่อคุณก็ออกเ๋ยหรือบางทีนั่งประชุมคุณไม่นั่งรถเมล์ไปทำงานก็แดกขับรถไปทํางานประชุมอยู่ในที่ประชุมอย่างเงี้ยอบางทีได้รับการอึดอัดไม่สามารถไปห้องน้ําได้ตามเวลาอันนี้เป็นความทุกข์น ะ, ะติดอยู่ในห้องประชุมอย่างเงี้ยไปห้องน้ำไม่ได้โอ้โหทรมานมากก็มีใช่ไหม อันนี้คือทุกโทษของกรรม oh, <okay. S 1> ยังอืยง่ยังมีอีกคุณยมเตี่ย <Okay. S 1> วพอเราขยันอย่างนี้แล้วใช่ไหมทํางานหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินไม่ไดเ้เงินไม่ได้เนี่ยโพคาซั์ไม่สําเร็จแก่เขาเขาก็ย่อมเศร้าโศ ก, กร่ําไห้คร่ํากร่วนนะร่ํำพึงอยู่ว่าโอ้ยตายละความขยันของเราเป็นหมันเนาความพยายามของเราไร้ผลหนออย่างนี้อันนี้ก็เป็น <Okay. S 1> ทุกอย่างหนึ่ง เอาต่อให้คุณได้เงินสมมติคุณได้เงินตามที่ประสงค์ใช่ไหมได้เงินตามที่ประสงค์แล้วเนี่ยก็ยังต้องขวนขวายในการที่จะ เ, เก็บทรัพย์นั้นด้วยหวังอยู่ว่าพระราชาจะไม่มา ย, ยึดจะไม่ถูกเรียกภาษีย้อนหลังจะไม่มีไฟไหม้บ้านโจรจะไม่มาปล้นหรือน้ําจะไม่ท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นหรือว่าคนที่คือทายาทที่ไม่รักเราเนี่ยจะมาขโมยแย่งเอาไปแต่ปรากฏว่าเรารักษาอย่างไงก็ตามเดี๋ยวถูกเรียกภาษีย้อนหลัง เดี๋ยวถูกขโมยบ้างขโมยขึ้นบ้านบ้างไฟไหม้บ้างน้ำท่วมบ้างหรือว่าลูกของเราเองที่มันไม่รักเรามันมาแย่งทรับไปบ้างอย่างเงี้ยก็มีอมนันนี้ก็เป็นทุกข์โทษที่เห็นได้เองค่ะบางทีบางคนสามารถจะทาการรักษาไว้ได้ใช่ก็ยังจะต้องมีเหตุบางทีเนี่ยวิวาทกันทะเลาะกันพี่น้องเอาง่ายๆอ่ะพี่น้องผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขายังเป็นพี่น้องกันอยู่หมายถึงว่า เป็นวัยรุ่นอยู่นะเขาก็จะมีการยืมเสือ้อเธอบ้างยืมเสื้อฉันบ้างอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ยืมของกันไปใช้ปรากฏว่าเอากลับมาไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วก็จะมีการวิวาทกันบ้างใช้ก้อนดินบ้างใช้มือบ้างใช้อาวุธบ้างในการทุบตีกันอันนี้ <c oughs> เป็นทุกทุโทษของการเป็นความทุกข์ที่เห็นได้เองอย่างอื่นยังมีอีกาการที่เขาทําสงครามการคุณยมเติว๋วไม่ว่าสงครามอันไหนไห น, นจะบุกอิรักก็ตามสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ว่าจะครั้งเล็กครั้งใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพระกรมทั้น เป็นเพราะว่าตัณหาทางนั้นเป็นเพราะความอยากทางนั้นแลเราก็ยังมีการปล้นสะดมชิงเมืองอะไรต่างๆอุโ๊โหมีการลงโทษที่มีระบบศาลมีระบบห้องขังมีการทําโทษต่างๆในคุกะมีการส่งสปายไปถูกท ร, รมานต่างๆพวก น, นี้เป็นเพราะกามทั้งหมดอเว้นน่ากลัวมากเลยแต่มาพูดแล้วก็ขนลุกสรุปแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าเกือบทุกเรื่องเลยของมนุษย์ที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมะ ก็เจอกามเล่นงานอยู่สิคะท่านถูกต้องมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกการเคี้ยวกินอยู่อืมไมกลัวกามเคี้ยวกินอยู่ใช่ค่ะแล้วก็อันตรายมากเพราะฉะนั้นทุกโทษที่เกิดจากการ ม, ม, มีมีมากมายอะพูดกันไม่จบเลยละ่ะค่ะอัน้นอันบรรยายได้อเนกปริยายบรรยายได้อเนกปริยายแล้วก็ควรที่จะกลัวมันไหมคะเอ่อต้องควรที่จะละ เพราะว่าคือถ้ากลัวเนี่ยเราอาจจะหนีหรืออาจจะสู้หรืออาจจะไม่ทําอะไรใช่ไหมผู้ชายก็ให้เห็นตามที่เป็นจริงนะคือเห็นว่าโอยมันไม่มีประโยชน์ละซะดีกว่าอเห็นตามที่เป็นจริงแล้วละได้ถูกต้องนี่ก็คือยังอยู่ในเรื่องของตัณหาคือเหตุที่ให้เกิดทุกข์นะคะก็เท่ากับว่าเรื่องของตัณหาเนี่ยมันกว้างขวางมากแล้วก็ เรื่องอริยสัจ4ี่ที่ตันหายอยู่ด้วยนี่คือข้อที่สองสมุขไทยใช่ถูกไหมคะอริยสัจสียังเหลืออีกสองข้อออกพรรษาแล้วจะหมดไหมคะเนี่ยจะครบไหมล่ะเราต่อได้เรื่องอริยสัจสีนี้จริงๆพูดทั้งทุกรายการเลยทั้งรายการเลยคือพูดทุกวันทุกวันนี่คืออริยสัจสี่อยู่แล้วแต่นี่มาให้เห็นอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับการตอบคําถามที่ว่าถามต่างถามกันมาใช่ไหมคะคนละอย่างสองอย่าง แต่นี่เป็นระบบระเบียบก็เป็นโอกาสพิเศษที่ท่านเพรบุญนํามามอบให้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในรายการสนทนาวันนี้คงได้เท่านี้นะคะใช่ค่ะนักมาศการขอบพระคุณท่านค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะโชคดีที่ารายการเราเนี่ยมีทั้ง5วันใช่ไหมคะอาทิตย์หนึ่งก็รับรองว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปเยอะเลยสําหรับคนที่ชอบเหมือนกับเรียนหนังสือค่ะแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์เลยสําหรับธรรมะของพระพุทธองค์ถ้าหากฟังแล้วเราไม่ น้อมเข้าไปใส่ตัวหรือที่เราสวดมนต์กัมนมาตั้งแต่เด็กๆนะคะโอปนนัยโกโอปนนัยโกนั่นแหละค่ะแปลว่าก็าให้น้อมเข้าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้ piotama.com/106piotama.com/106 คือที่ที่ท่านสามารถจะส่งคำถามขึ้นไปได้เช่นเดียวกับที่022690006 ายการสัสมีสนทนาเรามีหนังสือมอบให้กับท่านเป็นพุทธวัจนะที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะด้วยการเมตตาจากท่านอาจารย์คริสติสุธิประโลวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบแล้วส่วนท่านที่มีความศรัท ธ, ธาที่อยากจะไปถวายผ้าพระกฐินที่วัดป่าดอนหายโศก ข, ของท่านพยบูลน์ก็วันที่16แล้วขออภัยค่ะวันปิยะมหาราชที่อุดอรเนี่ย น, นะคะจัดวันปียะมหาราช วันที่23ตุลาคมส่วนวัดนาป่าพงของท่านมาร์กแล้วก็ท่าจางคึกปิ์นี่ก็วันที่16ตุลาคมวันอาทิตย์ทั้ง2วัดเลยนะคะเพียงแต่ว่าคนละวันเท่านั้นเองวันนี้รายการของเราลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุ้ทวัรสวัสดีค่ะ